วันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์ที่ตามภาษาเราเรียกว่าวันศักระและก็เป็นวันศาสตร์ที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าวันครอบประดับประดินอืมพูดตามภาษาอย่างหนึ่งเยวาวนศ า, าสตร์ศาสตราศาสต์นี้ไม่ใช่ว่าเป็นศาสตร์ระมันเป็นศาสา์จักศาสจักรปรีหมายถึงว่าผูดชีพปีศา ในสมยัยที่พี่น้องพ่อแม่เราทั้งหลายที่ร่วงรับไปทำงนานที่อุตส่าห์สารประเพณีภาษาบ้านเราลูกหลานเมื่อคิดถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่คุณบุตญญาพี่น้องทั้งหลายที่ห่วงรับไปถึงวันเดือนเก้าในกางพรรษาเนี่ยเดือนตาก็ยับสน ให้ชวนกันสร้างบุญทำบุญเพื่อปลารบสุญญาติพี่น้องเราทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้วนั่นทุกปีแต่สมัยโบราณเราวันนี้ก็เดีกว่าเป็นเข้าประดับประยิมต้องเอาไปไหม้มาห่อข้าวห่อปลาห่ออะไรแจกยามนี้โดยไม่ค่อยจะมีแต่าอาจตะมาเป็นเนนในนะ้อยน่ะ โยมจะต้องเอาข้าวเอาปลาเอาผลไม้ทั้งหลายนั่นนะ่ะห่อแล้วยายมีความหมายว่าจะให้พ่อเรามากินให้แม่เรามากินร้อรยใบหนึ่งกระตัดสามครึ่งสี่ครึ่งพริกลูกหนึ่งกระตัดสามตัดไปเก็บว่าบูนปีศาเราลองคิดจะหากว่าเราตายไปนะลูกหลานเราจะให้ข้าวกินปีละครั้ง รวยไ่ถึงลูกเลยตัดสองที่สามที่สี่ทีท่ข้าวกานิดหนึ่งเท่านี้หอ่อใบใ บ, บไม้ก็จริ้ไปตามฝากําแพงนั่นพวกเราทั้งหลายจะกินไหมพอไหมแล้วให้กินปีละครั้งด้วยบุญข่าวสา อ, อีกอันหนึง่งให้กินอีกทีนึงชองปีเท่า น, นั้นอ่ะปีหนึ่งให้กินสองโหน เราประกันกินวันหนึ่งกี่ครั้งทุกวันนี่ขนาดนั้นมันยังก็ไม่สบายนี่เรียกว่าสักเรียว่าทำกันถ้าเราทำไปแล้วกนนึกว่าประเณนี่เคยทำกันแล้วก็แล้วไปตัวดูกหลานก็ดีใจเพราะเขาร่วยเป็นผีเป็นปีาสารในกินหรือไม่กินก็ไม่รู้อิม่มหรือไม่อิ่มก็ไม่รู้เรื่อง เป็นเป็นประเพณีที่ทำกันมานี่เรียกว่าบุญ ม, มีปลารกถึงญาติพี่น้องที่ตายไปนั่นน่ะที่ยังไม่ได้เกิดอันนี้คงจะเป็นอุบายให้คุณตะบูตรลูกหลานถ้าทียังมีชีวิตอยู่ให้กันเข้าวัดเขา้าวาวันนี้ถ้าหากว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายที่ไปตกนรกอยู่เนี่ยเขาก็ปล่อยมารับสยทาน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 พยายามให้ลูกหลานทำบุญไปหาเราอยาให้เขายุ่งกับเราเท่าสาคอหนึ่งเท่าสามนิ้วนี่พอไหมวัน <c oughs> นี้นี่เป็นพิธีการที่ทำมาเฉยะ่ะลืมส่วนบุญกุศลที่แท้จริงคือเราทำให้จิตเป็นบุญจิดเป็นกุศลเราจะหยิบอันนี้ไปให้ทาน หยิปมานี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้เพราะเพอมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อเรามือเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแนะ่น่มันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้น ช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเ ก, กิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันกระทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัทรุสมบัติเป็นต้นจิตเจ้ามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทาบุญคือทาจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญทางนอก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 แค่นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัเ่เจียงสอนว่าเราทำบุญกันให้จิตมันเป็นบุญถ้าจิตมันเป็นบุญเมันจะเป็นบุญทุกเวลานั่งแล้วก็จะได้นั่งบุญนอนแล้วจะได้นอนบุญเดินจะได้เดินไปตามบุญทุกคนจะอยู่ด้วยบุญความอิจฉาความพยาบาทความอิจฉาตาลอนตานมันต่ไม่มีเพราะจิตเราดีจิตเราเป็นบุญมันก็ยิงให้เป็น เกิดเหตุในเป็นบุญไปทุกวันทุกเวลาอันนี้เสนอบุญทางในเช่นว่าเราคิดถึงพ่อแม่เราเหมือนกันพ่อแม่เราอยู่ตรงไหนก็พ่อแม่เราที่นั่งอยู่นี่แหละคนคนหนึ่งมีทั้งพ่อมีทั้งแม่ถ้ามีแม่อย่างเดียวก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ามีพ่ อ, อย่างเดียวก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์วันนี้พระพุทธองค์ท่านปาฏารทั้งหลายท่านสอนว่า ให้ทำบุญให้ผีพ่อแม่ผีพ่อผีแม่ก็คือตัวเราคนหนึ่งนี่เองมีทั้งแม่มีทั้งพ่อที่มานั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราก็ไม่มานั่งอยู่ที่นี่อีกเนี่นฉะนั้นท่านจึงนึกถึงบิ ด, ดาละมานดาครูบาอาจารย์อืมถ้าเราจะคิดถึงบิ ด, ดามานดาแล้วก็คือตัวของเราเนี่ย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 ทำนายังไม่เสร็จก็ต้องมามาดูเะก่อนมันกระตือเรือร่นไอ้เพราะความเราเลกคิดถึงนี่ตั้งการทำบุญทุกอย่างเราก็ถึงแบบไปบางสกุลของพ่อแม่เพื่ออุทิศให้ปลารคเป็นมาอืมเพราะเป็นบิดามารดาที่เคารพของคุณบุตรทิดาทาั้งหลายวันนี้ก็มันการแขนนั้นอืมตามพระโสดางวันนี้ปล่อยสัตว์ออกจากนรกเป็นส่วนมากอ่า อคอยขัดวัตรักนรกเนี่ยเพื่อจะได้มากินของทานของลูกหลานที่ให้อุทิศไปวันนี้มี่ความหมายทีนี่ที่ปล่อยจากงานรกก็คือพวกเราทั้งหลายในวันนี้สาระการงานไว้ออกจากความทุกข์ออกจากความยากออกจากความความลําบากและพยายามมาวันนี้เป็นวันปีศาจเป็นวันเข้าประดับพอดียังยังไงก็พากันมามาสิ่งที่มันลําบากหน่อยก็าสาระมา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 หากินไปเป็นมันว like ันมันมันมันมันมันมันเท่านั้นผลที่สุดว่าเราอยู่นี่จะอยู่เพื่ออะไรอืมมาจากไหนมาอยู่ที่นี่แด้จะไปที่ไหนอีกต่อไปแล้วใครเป็นคนที่นําไปนี่ไม่รู้จักเหมือนไก่อไม aparece, mmm ่รู้จักเหมือนกันทัศน์ใอาศัยกินไปเป็นมันวันมันมันมันไม่สวมบาดถนายังไกลเนี่ย ไก่ตัวไหนที่มันเลี้ยงลูกโดดกันนะจะของเขาชอบรักน่ารักดูมันดกเมื่อมันโตมาแล้วเขาจับลูกไปขายในหลายบาทถ้าตัวไหนลูกไม่เคยดกเราไม่ไม่ได้เราไม่รักคนเขารักอย่างนั้นลูกดกสหลายตัวมันจะขายได้เงินหลายใจไม่รู้เรื่อง เลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วเขาเอาข้าวให้กินมิ่งหุ้มตัวอยู่แต่นั้นนะ่ะสิบตัวยี่สิบตัวจะของเป็นคนเลี้ยงเขาก็ดีใจไก่เขาหลายตัวเอาข้าวกินทุกวันทุกวันไห น, น, นวันเขากระจับยกขึ้นดูรองทุกทุกทุกทุกุคนเขาจะเออมันหนักถึงสองกิโล้ลยดียังแต่ไก่ไม่ว่าจะของรักเรา คิดไปคนในทางไก่คิดไปอย่างหนึ่งเจ้าของไก่คิดไปอย่างหนึ่งน้ำหนักมันถึงสองกิโแลแหะหรือ ย, อยังถึงสามกิโล้วะหรือยังถ้ายังไม่ถือปล่อยไปอีกต่อไปเอาข้าวกินให้มากเาให้มันโตขึ้นจับรวบพรมอยู่เรื่อยๆไก่ก็นึกว่าเจ้าของรักตัวเราเนาะพอร้องกู้กูู้วิ่งมารอบตัวเรื่อยๆมีใจหลายเจ้าของเอาข้าวากินเนะ ไม่รู้สึกตัวหลายวานเนี่ยเขาจับยกดูกอีกอมาถึงสองกิโลหรือยังไก่ก็าทุกๆหดีกว่าสบายใจดีกว่าเขารักเรายังไม่ถึงสองกิโลก็ดียังไปอีกอืมนานๆไปกระจับดูอีกอืมถึงสามกิโสี่กิโลเรเอาแล้วเอาจับอืจับใส่กระชอกเขาเห็นไหมเนี่ยหาบลงไปนู่นใส่รถลงไปนูน่นเนี่ยดูเรื่อง ไกลกว่านึงว่าเจ้ของเอาเรานั่งรถสบายขันตรงเีเ้ตรงีไปนู้นสบายอืมเจ้าของเราจะว่ากิโลหนึ่งมันเท่านั้นไก่เยอะมีกี่ตัวมันเท่านั้นร้อยเขารู้จักไ ก, ก่ไม่รู้เรื่องอืมไปถึงเอาไปนู้นให้เจ็กหัวเก็บอาโนนจับว่ากันไปถึงเด็กมาเจ๊กจับออกมากระถอนขนคอนี่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 ลากันจะจากโลกเนี่ยก็ร้องไห้ขนั้นแล้วร้ อ, องไห้ในรูปกระร้องไห้อะไรร้องไห้คนตายจะร้องไห้นี่มันมันคิดอย่างนี้เมื่อวันเชิญ น, นี่ก็มีมาเหมือนกันไมา่จากอำนาจเจริญอาจจะมานั่งอยู่ทับโพโ พ, พอ่ะโพโ พ, อพอก็นั่งอยู่มาก็พูดเสียงสัน่นเสียงสายเนี่ยมันเรื่องมันใหญ่น่ะอื ม, อม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 มันตายยอมที่จะมาร้องไห้เกิดร้องไห้หรือเปล่าเนอะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไมร้องไห้เนี่ยอืมเห็นตายมันเป็นเรื่องใหญ่ตายมันมาจากไหนมันมาจากเกิดกันไม่รู้เรื่องได้บอกเขาว่าถ้าคุณควรจะร้องไห้อ่ะร้องไหเ้เสียมันเกิดมาดีกว่าพอตกออกมาร้องไห้แล้วอตายแล้วมาอีกจะน้อมาตายอีกแล้วเนี่ยดีกว่ามันอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วหัวเราะกันเทอเล่ามากจริงๆเลยเมื่อตายแล้วร้องไห้อย่างนี้ เียนี่ยมันสายซะแล้วละ่ะนี่คือความคิดคนไม่ยังไม่ถูกต้องมันเรื่องเกิดก็เป็นธรรมด า, ราพระพุทธเจ้าของเราถึงเป็นไหตีนาว่าเรื่องเกิดแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาที่ตายแล้วเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมดาเขาเหมือนกันแต่เราเราก็เหมือนกันกับเขาถ้าเราคิดเช่นนี้ก็เรียกว่าคนนั้นจิตเขาจะเข้าไปบรรลุธรรมะ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 ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงไปเป็นผลใจล้วก็สบายแล้วจะยังอยู่ก็สบายอย่างวันนี้สิพ่อแม่เราตายไปแล้วงไงใช่ไหมสมมติว่าวันนี้เป็นวันผีวันปีศาจวันศานสตร์เรียกว่าปีศาจทางไหนอาศัยกินวันนี้พวกเราเป็นลูกหลานก็คนไม่รู้เรื่องไอความจริงๆเป็นต้อุบายของนักศาสตเป็นหนึ่ง ทำบุญต่างภาษาเนี่ยจะปลาอะไรอะไรมาปารอลนะาละทำบุญปารบแมวเราด้วยไม่เอ า, เอาสุนักเราจายเอามาปลารบหรือไม่เอาพ่อแม่เราจ่ายเอาสิพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีคุณกอปลาลบแต่ทำบุญถึงพ่อแม่พวกเราทำงานร่วมใจสร้างอกสร้างใจมาเช่อ น, นี้อันนี้เนี่ยที่เราล่วงรับไปแล้วว่ายู่ที่ไหนก็ไม่รู้จักไปเกิดไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ไรู้จัก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 รู้จักตัวของเราในเรื่องของเราให้เรารู้เราเองไม่ต้องไปวินิษย์ใค้คนอื่นเขาคนอื่นเขาว่าเราเป็นอย่างโน้นว่าเราเป็นอย่างนี้มันมันมันเป็นเรื่องทางนอกเรื่องทางในวิ้นริษยตัวเราดีกว่าเขาว่าเราทำผิดเราก็สบายเราอยู่เพราะเราเห็นเราอยู่เขาว่าเราทำถูกแล้วก็ไม่สบายอยู่เพราะเราทำผิดอยู่เนี่ยมันตรงไปตรงมาอย่างนี้ เราทำดีเขาว่าเราทำชั่วเราก็สบายอยู่เพราะความดีอยู่กับเราไอ้ความชั่วคนอยู่เราว่านี่ถ้าเรารู้จักธรรมะดังอย่างนี้สบายมันก็สบายไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จกักไอ้การกระทำเช่นนี้เป็นผู้นำเราทำดีอะไร ด, ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีก็คือความดีผลของความดีที่มันเกิดขึ้นมามันไม่มีโทษบาปก็คือเรียกว่า จิตใจของเรานี่ยไม่สบายพูดง่ายๆเลยว่าวันนี้พ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะ ก, กันแนชะ้ไหมวันนี้นั่นแหละตกนรกแหละหโกเที่ยกันแล้วผัวก็โกเที่ยเมียเมียก็เกลือกเที่ยงผัวแกเรานั่นไม่โดนจากว่าตกนรกมันจึงหานารกไม่พบอืถ้าพูดถึงนรกก็มองเราไปพื้นประตีนูน่นอยู่นูน่ตนตกนรกนึ่นสวรรค์อยู่ตึบบนฟ้าคิดไปอย่างนั้น วันนี้เราตกนรกไม่ดูเรื่องนะเพราะกันน้าตาไหลย่ตลอดคืนก็ไม่ดูเรื่องว่าเราตกนรกที่เรียกว่านรกมันเป็นภาษาคําพูดของคนเราไอ้นรกนั่นน่ะไอ้นรกเน่ะคือตรงเนี้ยมันมีความผิดนี่ความผิดอยู่ตรงนี้อืมเช่นว่าไอ้เตาไฟนั่นอยู่ตรงเนี้นั่นคือตัวนรกอืม ถ้าเราไปเหยียบเตาไฟนั่นมันเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์คนนั่นเป็นจัต์นารกตรงไหนมันให้ทุกข์กับสัตว์ตรงนั่นเป็นนารกที่เท่าไความดีแล้วตรงไหนมันผิดตรงนั่นเป็นนารกถ้าเราไปทำตรงนั้นเราก็ทำผิดเราก็ตกนารกความทุกข์เกิดขึ้นมายกตัวอย่างเนี่ยอันนั่นเป็นของนายอูแล้วอันนั่นเป็นนารก ถ้าใครอยากจะได้ของในกอก็ไปขโมยเอาเขาก็จับติดตารางคนนั่นเป็นสัตว์นรกเท่านี้เองอืมอมันเป็นภาษาที่คำพูดแต่นในหลายอย่างเท่านั้นไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญอืมไอบาปบุญก็เหมือนกันบาปบุญคือความมีที่ปราศจากโทษมีอยู่ในใจของเราไม่อิจฉาตัวเองไม่อิจฉาคนอื่นไม่มีทุกข์มีร่อนเกี่ยวกับใครัรงนั้นเนี่ย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 ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญถ้าจะสร้างบุญก็กินเหล้าจ้ะทำไปอย่างนั้นจับควายมะขา่าจ้ะจับัวามามะขา่าจ้ะนีกว่าเป็นบุญไม่รู้จักนั่นแหละคือบาปถ้าหากว่าเรารู้จักธรรมะจริงๆเข า, าอันนี้มันเป็นบุญแต่เขาทำบาปแล้วก็รู้จักแล้วก็ไมท่ทา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 ถานับไปทางหลังที่เราเกิดมารู้จักเกิดมาธันวันทีธนันทีธันวันทีมันรู้จักอันนั้นมันผ่านมาแล้วมันเสียเสียไปแล้วเราจะรอดูปัจจุบันนี้ว่ามันจะอีกทีวันทีปีกี่เดือนนี้รู้ไหมว่าเราเลยมีกำหนดการไหมเกิดมาไอ้เท่านั้นจะจากโลกนี้ไปเท่านี้จะจากโลกนี้ไปรู้มั้ยไม่รู้ถ้าไม่รู้ไม่ควรไม่ใจมันไม่ควรไม่ใดมันนั่นยัง เอาเสืออยู่ในป่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ขังในตรงนะปิดประตูเราเสือแล้วก็ปล่อยไว้ไม่ควรไว้ใจมันนะเนอแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านนั่นนะปิดประตูจะเอาเสือปล่อยไว้ในนั้นเพื่อเอางูเอาชะระพิษปล่อยไว้ไม่ควรไว้ใจมันมันจะมาชกเราเมื่อใดก็ได้เอจะนอนมันจะมาชกกระไแล้วจะนั่งมันก็มาชกกระไรไอ้ความตายเขาเราคือวันตายเนี่ยกต่เพราะว่าเราไม่รู้นะตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยไม่จะกี่วันกี่ปีกี่เดือนเนี่ย ไม่ควรปล่อยความประมาทเกิดขึ้นมาในจิตของเจ้ของควรมีความประยุติย้อนอยู่อย่างนั้นเสมอนั่นแต่คนผู้ทีจะอายจะทํามานี่มันเป็นบาปไหมจะพูดอย่างนี้มันเป็นบาปไหมมันผิดไหมมันถูกไว้จะต้องรู้จักถ้ามันถูกก็ทำสิถ้ามันผิดจะทำดิมันเป็นบาปเลยนะอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความประมาทสังบอลอยู่สังรวมอยู่ระวังอยู่ เมื่อเราไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงแล้วใจเราก็สบายใช่ไหมจะนั่งอยู่มันก็สบายจะนอนอยู่มันก็สบายอะไรมันก็สบายอยู่มันสบายอยู่อืะถ้าเราคิดจะเป็ถึงที่ที่ดีกว่าอาจะมาเคยบอกว่าอย่างที่สมมุติว่าอาจะมาหรือใครคนหนึ่งทับทาผิดกฎหมายครับอีกที่ห้าวันนี้เขาจะเอาไปยิงเป้านะอย่างยางเราทุกคนน่ะทําผิดกฎหมายอีกที่ห้าวันเขาจะาไปยิงเป้า เราจะคิดกันยังไงไหมอย่งเดือกที่ผ้าวันเแถานั่นเนี่ยวันที่ที่ผ้าเขาจะเอาไปยิงเป้าเสรแล้ ว, ลวนี่เราจะทํำยังไงเมื่อคนมีเรื่องอย่างนั้นมันจะคิดอยู่ยังไงอ่<ม>เราลองคิดดูสิคร<ม>ับที่ว่าคนเกิดมาจะต้องตายอย่างนี้นี่วันใดเพะวันหนึ่งที่ผ้าวันก็ยังมีมาตรฐานนี้มนันระู้จักเนี่ยอย่างตัวเราไม่รู้เรื่องเลยอาจจะอยู่ไปอีกปีสองปีก็ได้คืนเดียวก็ได้ สองนาทีก็ได้ไม่แน่นอนนะเขาไปยืมเป้าหกสิบห้าวันหรือเดือนอย่งไดียังมีกาหนดนะนะมันจะหน้าระวังให้เราทาังเกตไม่รู้เลยบางทีนอนกลางคืนตอนเช้ามาหมดแล้วเ <c oughs> นี่ยร้องโฮมลงง่าย ก, กาันทำไมตายเร็วนะักมันไม่มีเลีว้วหรอกลมออกไปมันไม่เข้ามามันก็ตายเท่านั้นแหละออืเข้ามาไม่ออกมันก็ตายเท่านั้นแหละไม่มีเร็วไม่มีช้า ถ้ากระเดีวอย่าเอามาใส่มันเถอะมันไม่มีความหมายอะไรมันจะไปตามเรื่องของมันอันนี้คือธรรมะให้พวกเราจาได้คิดให้มันดีแก่ในหน้าฟังนะอจะมาไปเมืองนอกไปเทศเกิดแก่เจ็บตายเขาสังเขาไม่อยากจะฟังปวกลัดครับอืมเขาอยากหนุ่มอยู่ดีอย่งนั้นไม่อยากแก่เลยไม่อยากเจ็บเลยเขาไม่ยอมฟังอไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่ แต่มันแฉะไปหนังมันยานมันหย่อนมันจะย่นเย็บเข้าไปมันตึงเข้าไปดื้ให้มันห่อเจาะกระดูกกระหนังเท่านั้นก็เอาคนละเนี่ยแ่ขนาดนั้นมันก็ยังไม่เหลือเลยนะหนังแฉะมันย่นย่นเขาไม่สบายมันไม่สวยนีก็ไปดึงเขาเย็บเหยีบเยีบเข้าเย็บเข้าไปมันก็น้อยเขาน้อยกัเมื่อมันไม่มีมีเทหนังเย็บนานๆทีเลยมีเทหนังห่อกระดูกยิ่งยิ่งเหลวเลยนะอย่างนี้ก็พราเราจะหนีมันนะหนีความไม่สวยในงาน นีความเกความแก่ความเกลียดเห็นไมอยากจะไปไม่อยากจะทําอย่ามาพูดให้ฉันให้ฉันไม่อยากจะยินไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากเห็นแต่ว่ามันก็ไม่ฟังนะมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอืพวกเราทั้งลายมันยอมรับจ้ะยอมรับเดี๋ยวสบายไม่เป็นทุกข์มันเลยอืมอายุของเรามันจะแค่นี้แต่อย่าไปต่อมันอย่าไปตัดมันออก อย่าไปต่อมันเข้าปล่อยไปตามสภาพเพราะมันมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่มีอำนาจอะไรทั้งหมดนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์จะยังไงรีบทำจ้ะบ า, าราามีชียิตอย่างรีบทำทำก็มีรีบจ้ะรีบทำไมเนี่ยเพราะความตายไม่รอวันรอคืนมันไม่ไรู้เรื่องอย่างนี้ฉะนั้นติดใจให้รีบทำให้ระวังสังวอลสังรวมหวังระวังอืมน่ะระวัง พราะเราว่าไม่มีอำนาจไในตอนนี้อืมเมื่อเขาอยกเจ็บตะไหนจะเจ็บอยากปวดจะไหนจะปวดจะกเป็นยังไงก็เป็นไปตามเพื่อนเขาอไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาที่เรามาพักอยู่นี่นน ม, ามาอาศัยเขาอยู่นะนี่นนี่มาอาศัยร่างกายนี่อยู่แค่คแขกมาจากจางังหวัดต่างๆมาจางังหวัดอโศกน่ะมาเช่าโรงแรมปรทุมรักอยู่แถวนั้นเน่ย กินส บ, บายนอนส บ, บายอย่างงี้ยไปเช่าเขาอยู่อย่างนั้นแกถึงเวลาได้เจ้าของโรงแรมมาเออเอาสัจจางมาแต่แกก็ไปไอคนนั่นหลงมาบ้านของเหเรงฉันไม่ไปเราอันนี้บ้านของฉันนี่ยจะทะเลาะ ก, กันกับประทุมรัฐแล้วนะประทุมรัฐก็ไม่ยอมเข้ามาโรงแรมเขาไอคนที่ไปเช่าโรงแรมก็มาบ้านของฉันทำไมเนี่ยก็เกิดคดีฟ้องร้องกันทันเนี่ยเป็นทุกข์ อันนี้ก็เป็นกันอันนี้ร่างกายของสังผารที่เรามาอาศัยอยู่นี่ของฉันอืสังผารจะเป็นไปยังไงก็ไม่อยากให้เป็นไปฉันไม่อยากเป็นฉันอยากอยู่อย่างนี้ฉันไม่อยากแก่ฉันจะอยู่อย่างนี้อืมมันจะอยู่อยู่มันก็ไม่ได้เราไม่มีอำนาจไรทั้งหมดนฉะนั้นองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าของเราเชืจ่จงว่าให้ช่วยตัวเองให้ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเพียงไหม เห็นเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วนะแล้วเราจะต้องอยู่กับธรรมะเราอยู่กับธรรมะแล้วจะวางไอ้ความชั่วอะไรเราเจรละมันไปเช่ไเดี๋ยวต่ความดีอืจะกรณีทั้งความชั่วความดีปะปนกันทั้งแรกทางชั่วมากกว่าความดีถ้าเทียดสร้างไหนะฉันมาสร้างความดีดีกว่าไอ้ความชั่วท่านมันจะเละความชั่วได้ความดี ได้ความดีเนี่ยก็นึกว่ามันเสร็จแล้วมันเสร็จดีแล้วพระพุทธเจ้าหมายความดีมันเหลือแค่ไหนน่ะความดีมันจะเสียวันันึ่งได้เนอะวางให้มันดีนะอันนี้ไม่ใส่ของเอาหรอกอ้าวไปอีกแล้วเอ้ยพูดกับพระพุทธเจ้าต่อลำบากให้รักสมชั่วฉันแตละแล้วให้สร้างความดีฉันก็สร้างแล้วบันนี้ยังให้ยังให้รักความดีอีกใจฉันเอาอะไรล่ะไม่อยากได้ความดีตัวตนดีจะหายพระพุทธเจ้าอันนี้มันยังไม่จบมันมีอยู่ ประเดี๋ยวความดีมันจะหาอีกเมื่อความดีหาอยู่คุณจะเป็นทุกข์อีกยิ่งอยู่ะทีนี่นะนึกว่าเสร็จความดีแล้วข้างสร้างความดีก่อนึกว่ามันจะพอแล้วจะให้ฉันเอาอะไรเลยทีนี้ฉันจะมาให้เอาอะไรไอ้ความดีก็ทิ้งมันไปจะทําแล้วไอ้คนชัวว่วก็ทิ้งมันไปเราไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรฉันจะได้อะไรไอ้คนที่อยากได้ก็เสียงเราไม่หยุดเหมือนกันอยากเอาอะไรทไันเลยไม่ต้องเอาอะไรถ้าเอาอะไรมันก็มีอะไร เมื่อมีอะไรอะไรอะไรอะไรมันก็เสียถ้าคนมันมีอะไรเลยอะไรก็ไม่เสียมันก็สบายกันอย่างนั้นอืมฟังยากตรงมีฟังยากอืมท่านจะท่านจะยุ่งกับพันิพาเนี่ยไม่อยากจะไปอืมมันไม่มีอะไรพันิพาเ น, นี่ยกลัวจะไม่เห็นลูกกล UA ัวจะไม่เห็นหลานกล UA ัวจะไม่เห็นพี่เห็นน้องไม่อยากจะไปอยากจะอยู่ตรงนี้แหละอ ย, ยากจะอยู่ตรงนี้คุณก็จงตาย อย่ะตายก็ไม่อยากจะตายอยู่แล้วจะอยากจะอยู่ต้องไม่ให้ตายถ้าไม่อยากตายก็ตรงมาตรงที่มันไม่ตายนี่ตรงที่ตรงนั่นฉันก็ไม่ชอบอยู่แล้วไม่ชอบมันจะไม่เห็นลูกจะไม่เห็นหลานอะไรก็ทิ้งก็ทิ้งหมดแล้วที่นี่ก็เลยเป็นคนลําบากนี่อยากจะไปก็ัวจะมเห็นลูกหลานอยากจะอยู่ก็ัวจะตายเลยวุ่นตรงนี้ลําบากเหมือนกันนะก่อนที่จะวางตรงนี้ได้มันลําบากกูโขไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่น แต่ว่าพวกเราไม่เอาถึงงานอกเอาถึงที่พยายามละความชั่วคือความไม่ดีหนึ่งถ้าเราสร้างความไม่ดีว่าความไม่ดีมันจะตามไปบันหนึ่งความไม่ดีจะเป็นของเราถ้าความไม่ดีเป็นของเราสบายไหมดีไหมคือในรูปที่ไม่ดีในหัวที่เล่าอะไรอย่างเงี้ยดีไหมก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ยังจะไปสร้างความไม่ดีดี สร้างความไม่ดีไอ้ความไม่ดีก็ตามถึงวันหนึ่งจ็ได้อย่างนี้เนี่ยก็พิจารณายากเหมือน ก, กันนะอืมอันจะมาเคยไปพบคนขี้เล่าอืมโยมเลิกวันเทศกาลโอ้ยสับปะุมนขอทานกันเถอดอีสักปีกันเถอะเนี่ยไปแทงความชั่วไปหุ้มความชั่วไว้ไม่อยากจใจความชั่วนี้จากเราจะต้องตะคุกตามขอความชั่วอันจะมาหายละความชั่วขอทีเถอะอีกสักปีกันเถอะ สองปีกันเถอะอีกไปเถอะไปอีกใช่ไหมเพราะตัวมันจัง ม, มีชั่วมีคนจิตจำใจจำไม่อยากสร้างควาดีแต่ว่าไม่อยากให้ความชั่วสร้างความชั่วแต่อยากไม่ให้มันชั่วอีกแหละจับผลมากจิตมนุษย์เนี่ยลำบากอืมลำบากอืมมันลำบากหลายนี่คือนั่นตังใจให้ภาวนาถ้าไม่ภาวนาแจะไม่รู้เรืร่องธรรมะควา ม, วามจริง เช่นเราต้องการความดีอย่างนี้ตัว น, นึกว่ามันสุดแล้วดีดีดีดีเท่านั้นอืมอืมดีดีมันเหลือดีดแค่แ้วมันก็มาดีอ๋ออืมไม่ ด, มมมดีมันเป็นทุกข์อื ม, อมฉะนั้นจรงให้มีทางรอบครอดเอาไปภาวนาพิจารณาเรื่องโลกอันนี้มันเป็นสิ่งที่สาําคัญฉะนั้นบันนี้ผมวันตันฉันนั้นให้เข้าใจว่ายาก ที่น้องพ่อแม่เราอยู่ตรงไห น, นอยู่ที่เราเนี่ยมันง่ายดีถ้าเคารพพ่อแม่อย่าเอาไอ้ของพ่อแม่เนี่ยอย่าเอามือไปทุบหัวใจไปทุ้หัวเ็ศไปฆ่าสัตว์ไปกินเหล้าไปทําถิ่นสุกับปกไว้ในนี้นั่นคนระดกถึงคุณพ่อแม่เพราะนี่มันเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอยู่แล้ว ถ้าใคยทามาแล้วก็ต้อภาวนาพยายามดีนๆใส่พยายามมันน้อยใส่ท้อใส่น้อยใส่ท้อใส่ถ้อใส่น้อยไปจะต้เห็นโทษขึ้นเห็นประโยชน์มันมากเห็นโทษมันมากจนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํากันอยู่เนี่ยถ้าไม่เห็นโทษมันจะเลือกไม่ได้ถ้าเห็นโทษมันทุกอย่างจึงเลือกมันได้และถ้าเห็นประโยชน์มันเห็นคุณค่าของมันจึงทําประโยชน์ที่ดีได้อันนี้มันเนื่องจากการพิดถ้า ภาวานาแต่ฉะนั้นญาติโยมเราทุกบุคนลจงสร้างอกสั้งใจการฟังธรรมนี่มันดีฟังเฉยๆมันโตไม่ดีจะต้องไปภาวานาพิจารณาพิจารณาเห็นพ่อเห็นแม่มันนี่คืออะไรสมัยรมโบราณของเราฟังธรรมอาบุญเป็นนั่งฟังอาบุญเยอะๆเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่มาบุญสมัยนี้เนี่ยอืชาวบ้านนี่โอ้ลำบากจะเตือนเนี่ย อาจจะมีศีนห้าสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีฉนะเนี่ยเป็นเป็นงินน้อยดูอยูน่นี่ไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยสนใจพระก็ไม่ไม่สอนในในทางที่สนใจอืบ้านอาตมาตางนี้อืมก็ดีเอาข้าวแต่ผ้าชันดีอยู่พระก็ไม่รู้จะสอนสอนไม่ถึงที่สุดอืมไม่ถึงที่สุดมไม่รู้จักสอนในญาติโยมแต่ละบาท ไม่เสยจะมีตรงนี้ก็อยู่กันพราอยู่กันไใครโดยมาอย่างนี้ไปอยู่กับพระพนะั่แหละอยู่กับวัดนี่แกพระเขาพูดไปอย่างนึโยมต้องอยู่คนในอย่างพูดตามความจริงๆเนี่ยสามอจมาได้รึกได้นะเป็นเมนอยู่นี่เป็นเด็กนี่ไม่เห็นเห็นโยมบ้านนี้สมชานถิ่นหา้าจริงจจังๆไม่เคยนี้แตกแบบมีคนชื่อสัตว์สุจริตจริมีหลายคนคนชื่อสัตว์สุจริต จะตั้งใจฟังทำให้มีศีลห้าจริงๆนี่ไ ม, ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยนีว่างั้นนะเจ้าดายโยนเจ้าดายมนุษพุทธริษัทั้งหลา ย, ยที่เกิดมาเป็นพุพทธศาสนาแล้วนะ่ะนั่งเฝ้ากันพูดกันฟังอยู่นะ่ะน่าจะพูดอันนี้ให้ใครกันฟังไปพูดถึงโนอืมเอาหนังสืออะไรมาเขียนนี่นะี่ตามในตูนอาจจะมาอ่านไปเก็บมันกัน ให้ค า, านกานนักษาศีลนี่นี่จะ็นอั น, นสมของมันพูดอันสมของเขาบวชลูกได้อั น, นสมเท่านั้นทับบวชหลานแด้อั น, นสมเท่านันทับบวชตัวเองได้อั น, นสมเท่านันทับบถถวชผัวยิ่งได้หลายกลั บ, น บ, บเนี่ยมันต้องให้บวชยากบวชเมียจะยื่งหลายกลับจะไม่มีใครจะได้แล้วบวชทั้งหลายบวชจะติดเสน่ห์มากอาจจะม า, า, มามทํางแบกลับนึ่งมันทลาย ไอ้ศับหนึ่งเข้ามาสูงโยดหนึ่งเลยพ่วงประโยชน์หนึ่งสูงประโยชน์หนึ่ง ร, ร้อยจีพิทเทวดาเอามาเลงานมาทิ้งใส่โ น, นติร้อยจีพิทที่เอามาอือาจารย์ประเชื้องนี่ยเดี๋ยวนี้อาจารย์จะโกหกร้อยจีพิทเอามาเล่งานมาทิ้งใส่มันจะพันมดน้ำหรอกเป็นางานขนไปกินหมดเรื่ไม่ดูจะประมาณกันหรอกอันนั้น เอามาเ ท, เทวันระบุญวันระบุญก็ไม่พอหมดนี่คือทำฟังให้คนฟังหลงหลงเกี่กับเี่ยอะไหลายตับวันหลังแบกลับมันเป็นยังไงพ่อลับมันเป็นยังไงับมันจะตายนีย่แล้วลับมาอยู่จะตายอีกทั้งแล้วลับมาอยู่จะตายอีกาแล้วลับมาหลายหนก็ตายหลายขนเนี่ยไมรทำไม่เอาไม่เอาก็อยา่าเอานี่จะเอากับมันเป็นงังไงละดูสิับมันจะทำทั้งอะไรเนีย่ยไปนี่ถึงตะบุ ไปถึงเมืองบนโอ้ยลืมกระเป๋าวัดน้อประงเนี่ยระกลับมาวัดน้องประพงกระเป๋าไอาคนที่ไปเข้าไปนั่งงอานาจแล้วไปถึงมือี้เรื่องนี้จะับเอากระเป๋าอีางได้มากลับเสียเวลาถึงนั้นแต่มาทั้งมามาหลายตัสกระตา ย, ายหลายหนเอาไหมามันจะต้องเป็นอย่างนี้ี่คืนั่นเราโยมกลับกันถ้ามาไม่หลายที่ผู้พิจารณาที่พระพุทธ อ, องค์ของเรา ถ้าพูดดูธรรมะแยกไปเป็นอะไรมันเลยเป็นอะไรมันก็เป็นอะไรนั่นแหละถ้าเป็นอะไรมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่าเป็นมันเลยถ้าเข้าสู่ธรรมะแต่ไม่เป็นอะไรเป็นคนก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นนันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นหรือไม่เป็นที่ไม่เป็นอะไรนอืเราไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะหายคนมีอะไรก็มีอะไรจะหายคนที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะหายของเราไม่เคยหายแล้วก็ไม่เคยทุกข์ อืมเนยใครมีของของนั้นจะหายเมื่อของหายคนนั้นจะมีทุกข์แท้ถ้าเป็นอะไรไมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นการทําบุญที่จริงที่แท้จริงโู้นนเป็นที่สุดแต่คนเราคิดยากคิดไปไม่ค่อยจะไหวจะไปพระอิปานจะกลูว์หวงห่วงจะไม่เห็นลูกจะไม่เห็นหลานจะไม่มีคนนึกนิดไปอย่างนั้น อืมอันนี้คือมันกันแค่นั่นแค่นั่นให้ถือว่าปัจจุบันปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ว่าจะทําอะไรก็ทำกันเถอะท่านปราถนาเจนทากำหนดกฎเกณฑ์ได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งให้มีวันพระอยู่เดือนหนึ่งมีวันพระอืถึงวันพระเจ็ดค่ำแปดค่ําสิบสี่สิบห้าค่ำสี่เถื่อสี่หนจะ ให้พยายามมาอบรมให้มันรู้จักอะไรมันเป็นอะไรการที่มาฟังธรรมนี้ให้รู้จักนีก่กระทำภาวนาหนั่งสมาธิให้จิตใจมันสงบใจแล้วมันไม่เคยสงบหนะ่อยไม่เคยสงบใจแล้วไม่เคยสงบใจเราก็ไม่มีกำลังเพื่อันไปทุกสิ่งสารพัดอย่างฉะนั้นในทใําในปัจจุบันอย่าไปอาวุนเวือนหน้า อย่าไปอบุญปีหน้าอืมให้รู้ปัจจุบันอยน่างนี้อยากจะทําอะไรก็ ท, ทําเชียส่วนทั้งหมดที่สิ้นสุดก็คือทําบุญเอาจิตทาจิตเจ้าให้เป็นบุญเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่สุดถ้าจิตเป็นบุญแล้วจะไม่ทําอะไรมันก็เป็นบุญไม่เหตุที่จะต้องทํามันก็ทําเป็นบุญพูดก็พูดเป็นบุญทำโดยกายก็เป็นบุญนึกโดยจิตมันก็เป็นบุญ บุญข้างนอกที่จะเกิดขึ้นมานี่ที่เราจะทำมโนนันนีเนี่ยมันเกิดมาจากจิตถ้าจิตบริสุทธิ์มันเป็นบุญมีแต่นั่งผู้มีจิตเป็นบุญเรานั่งอยู่มันก็เป็นบุญเดินมันก็เป็นบุญนอนอยู่ก็เป็นบุญฉะนั้นจึงว่าคนผู้มีบุญคนผู้ที่มีบุญไปอาศัยพึ่งบุญท่านก็ได้ถ้าไปอยู่กับท่านไปอาศัยผู้มีบุญก็สบาย ไม่หยิจฉาดไม่พยาบาทแต่สงเคราะห์แนะนำทุกสิ่งทุกอย่างได้ความรู้ได้ความเฉลาดได้ความสบายเอได้หลายอย่างขึ้นเป็นทุกมาช่วยแก้ไขนี่เลยว่าไปหาท่านผู้มีบุญถ้าคนที่ไม่มีบุญในใจไปขอแนะนําเราไปทางชั่วทั้งนั้นแหละไปตามความชั่วทั้งนั้นแหละไม่รู้จักแนะนําให้มนุษย์ทางไหนออกจากทุกข์ นีแต่แนะนำให้บุคคนอยู่ในทุกข์เ่นั้นแค่นั้นเราอยู่ด้วยธรรมะแล้วสบายกั น, น, นมีความสงบสบายแค่นั้นธรรมะนี่จริงฟังฟังไม่เบื่อบางคนนะบางคนก็เบื่อนะเทศธรรมเดียว อ, อันนี้ไม่ใช่ของเราเราลุกนี้ต่อหน้าก็อที่เลย ม, มันสู้หรือยังแรงมันไม่รับไม่ยอมรับเลยแต่ก็แต่ก็ไม่พน้น แต่ก็ไม่พ้นลุกหนีไปมันก็ตามไปตรงนั้นแหละไม่ทิ้งอยู่ที่นี้อาไปทิ้งอยู่ที่โน้นเหมือนโจรนนะมันพ้นอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่ปลอดภัยหรอกวันหนึ่งเจ้าหน้าที่จับจนได้มันทำผิดอยู่เนี่ยเน่ยหนีไปไปจังตจะนอกจากเราเชาายุดการพ้นเท่านั้นแหละถ้าเราพ้นอยู่ทุกวนันทุกวนันเออลองดูเถไม่วันหนึ่งก็ต้องวันหนึ่งเนี่ยจนได้อันนี้คือมันกันถ้าเราไม่ยอมรับหนีไปออสมงพบกันมันหนึ่งจนได้อื ไม่ใช่แบบนี้ไปแต่วันนี้ฉันไม่ฉัาไม่ทําบุญหรือทําไปอย่างนี้น่ะทําไปเมื่อก่อนพบกันทางหน้าทำตรงชั่วเมื่อ่าทําแล้วมันแล้วไปนะมันไปพบกันอีกน้ามันไปพบกันอีกนะมันไปพบกันอยู่ทาดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วไม่ได้วันนี้ก็เลยพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ปรือนนี้ไม่ได้ปรืนนี้ก็เดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ใช่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ใช่ชาตินี้ก็ต้องชาติหน้ามันต้องเอาจนได้ถ้ารอหนี้มันไม่พ้นอ่ะ นั่นให้พนเข้าใจอย่างนี้ทุกๆคนไม่ต้องอะไรทําจิตให้มันเป็นบุญถ้าไมัจะทําจิตให้เป็นบุญแล้วเห็นแม่ของเขาก็เหมือนแม่ของเราเห็นพ่อของนื่เขาเหมือนพ่อเราเห็นพี่ของเขาก็เหมือนพี่เราเห็นน้องของเขาก็เหมือนน้องเราเห็นลูกของเขาก็เหมือนลูกเราเนี่ยเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วอืมเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วเท่านี้เ มันไม่ทำอะไรกันภาวะทุกวันนี้ยิ่งยิ่งไม่ค่อยจะดีนะอาตมาว่าอุบาสิกาอุบาสกธรรมน้อมขอเข้าไปในในธรรมะอาตมาว่าบ้านเมืองเราสมบูรณ์แก้ภายในคือธรรมะมในความอิดถาและาพยาบาทจนในภายในไม่มีมันไม่ดีอะไรแล้วคนเราไล่มันหนีมันก็ไปหนีแล้ว ถ้ามันอยู่ไม่สบายมันต้องไล่มันออกมันออกไปเองของมันเราต้องแก้ที่ต้นตอมันนี่ดีกว่าอแต่ว่าคําพระเนี่ยไม่คยมีไม่ไม่ไมคยมีราคานะอถ้าคนขนาดหนึ่งฟังไม่มีราคาถ้าคนขนาดที่สองฟังจะมีราคาถ้าคนขนาดที่สามจะฟังหาราคานี่ได้เนี่ยมันจินไปอย่างนั้นของหาราคามีได้ไม่ใจประของไม่มีราคานะ่ะมันเหนือกว่าของที่มีราคาเท่านั้นแหละ แตฉะนั้นการเข้าฟังธรรมะเนี่ยมันนานที่จะเข้าใจมันมีอะไรมันปิดบังอยู่นั่นแหละมันบังอยู่นั่นแหละต้องพยายามฟังฟังแตต้องไปนั่งรับตาพิจารณาให้มันเห็นชัดเทียยวกาบทิน้นสมาธิปัญญาสิ่งทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นมรรคเป็นทางเดินของบูวาสกุกปิศาเราทั้งหลาย ทุกวันนี้ชาวมนุษย์พุกับบริษัททั้งหลายยังไม่เป็นที่พอใจของอัตมาที่มองดูแลคือไม่ใช่อย่างนั้นแค่คนชั่วบาปอยู่เป็นต้นก็ไม่ไม่ใช่เราจะให้หยุดกันหมดนะให้ค่อยๆเห็นมาถ้าเห็นมามันก็น้อยลงถอยลงถอยลงถ อ, อ, อยมันก็ค่อยๆหมดมันไปอันนี้ไม่มีใครจะถอยมันแข่งกันไปทางนั้นเนี่ยในความยิ่งาพยาบาทตัวเหนือยิ่งแข่งกันไปใครมีอํานาจร้ายก็ยิ่งแข่งกันไปเรื่อยๆ มันเป็นวิธีแบ่งวันพระเป็นวิธีแบ่งหรือเป็นวิธีลบมาเทศมาฟังเทศกับพระสันเทศวิธีแบ่งไม่เอาหมดแต่ตามใจมนุษย์เราสงสัยม่าต้องมีมวิธีคูทตรงนั้นเน่ะไม่รู้ไปอยากใส่ตรงไหนไม่มีลบมันบ้างทำไมเลขวิธีบวกวิธีลบ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 ทังนั้นเนออี่ยไม่ได้ฟังเสียงใครแล้วไม่ต้องแบ่งใครและไม่ต้องลบออกแต่แบกมันจะพ ứ ดเลยทำไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะรถสิล้อมันก็พังทั้งนั้นนะไม่มีเหลือแล้วขนใส่ไม่หยุดเนี่ยร่างกายกจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่ก็เรียกวิธีแบ่งหรือวิทีลบเพื่อราคะเพื่อโทสะโมหะมันมากขึ้นมาก็ให้แบ่งมั่งอย่างเรามีลูกชายคนนี้หรือมีลูกหญิงคนนี้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 เอาวันหลังๆที่เราใช้มันมาเอามาบวกเขากันบ้างทำไมอันนี้มันทำผิดวันเดียวทำไมถึงโกรธนาโกรธหนาล่ะจะเป็นไงเอามาบวกกันบ้างสิเอามาแบ่งออกบ้างสิก็เรานเนีอืมันคิดไม่ค่อยจะดีเราไม่ค่อยลบมันไม่ค่อยแบ่งมันมิเตซามีซีคูนทั้งมันก็ตายแหละคนไม่มีเหลืออะไรมันจะเหลือแล้วลองลองดูเสียแล้วก็ต้องบอกมันสิ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 มันมีวิธีคูณมันมีวิธีแบ่งมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้นะเราคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดดูจากการดูจากเวลาควรที่ลบก็บลบควรที่แบ่งก็แบ่งควรที่จะคูณกับคูณควรที่จะรวมกันเข้ากับรวมก็เป็นอย่างนั้ น, นอันนี้คูณทุกทีนะ Y, ใจคนหนึ่งมันจะตายแล้วน่ะนน <c oughs> คือเรื่องไม่รู้จักพอนั่นเองน่ะคนไม่รู้จักพ่อก็คือนไม่รู้จักแก่คนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จากกาัจ ก, ก, จกพอ่อคนรู้จักแก่ก็คือคนรู้จักพอ่อถ้าพ่อแล้วกับคำที่ว่าเอาละมันก็พ้นขึ้นมาหายไหมละ่ะคำที่ว่ามันไม่พอหรือคำที่ว่าเอาละนี่มันไม่พ้นแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วมิแต่แบกไปตะพื้ทัง้งนั้นเนี่ยถ้าหาูกจักพอจะเอาละ แล้วเร า, วาเอาละก็เี็กสบายเลยมันพอแล้วนี่คําที่ว่าเอาระนี่มันพอมันพ้นขึ้นมาอันนี้ไม่เคยเห็นสักทีหนึ่งเลยไม่เคยเหวี่ยงไม่เคยปงไม่เคยวางมันทั้งนั้นเลมเอาตลอดไหนไปไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยอันจะมาเห็นยายคนหนึ่งนะคือคนไม่รู้จัะพอไม่รู้จักอิ่มนะมีรูกชายคนเดียว นาก็มีหลายทุง่งบ้านก็มีหลายหลังยายคนนั้นก็คิดไปคิดไม่เมื่อเราตายจะทำไงเนาะดูพๆกมันจะมีทิ้งเข้าของหมดเลยลคิดไปดเองไม่ได้เนาะจะต้องแต่งงานให้มันจะ้ะมันจะจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องดีก็เลยไปแต่งงานให้ทกทุกชายคนเดียวนะ่ะพราะมาแต่งงานให้มันเสแล้วก็นึกว่าจะพอไม่พอคิดไปอีกแล้ว หากว่าลูกชายเราตายจะทําไงลูกจะพ่าจะเอาไปคนเดียวหมดจะมั้งเนี่ยเป็นทุกข์อีกเแล้วอืคือไม่ดูจักพอถ้ามีลูกชายไม่มีลูกสะภ้ายกรบครัวมันจะหนีไปเที่ยวไปเกยหาลูกสะพ้ายมาให้หาเมียมาให้มันก็คิดไปอีกว่าเมื่อลูกช า, ายตายทําไงเรามันแยน่ไม่มีใครเฉลี่ยลูกสะพ้ายคนอื่นก็มาเอาไปหมดเท่านั้นลิ้นนนนมาอีกะแล้ว อันนี้มันตัวจริงนะไม่ใจยิทานนะนี่นะอืมก็เลยขึ้นมาฮจะมาอยู่ที่วัดมะกาเพื่มาเล่าให้ฟังน้องพ่อมันเป็นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นจะทำยังไงอ่ะเล่าไปมีลูกชายคนเดียว ม, มันไม่เคอยอยู่บ้านอยู่ช่องของก็ามากอืมยิฉันว่ามันจะไม่คุ้มของไม่รักษาของไม่คุ้มผมคิดว่าไปแต่งงานในมันใช่ไ เรนึกว่ามันจะแล้วไปแต่งงานเนี่ยความคิดใหม่มันพ้นขึ้นมาอีกเมื่อลูกชายเราตายจะทําไงนะ่ะลูกสะพ่าก็เอาไปกินหมดแล้วนั้นเนีะยแน่ <c oughs> ไม่จบโยมคิดอย่างงี้อันตรมาก่อก็จนใจเหมือนกันนะอืมน่นน่าจะไปโน่นนังไปเข่าไปฟังเทศอยุทธิวัดออตรสีมหาโพนีน่ดีกว่าเนะมั่งเ น, น จะเอาทิ้งตรงไหนล่ะคือนี่เรียกว่าไม่พอเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยก็ไม่พอแล้วก็เป็นไปอย่างก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวนี่ก็นานะเห็นจะเห็นจะตายแล้วฟ้านี่นะอืมไม่เห็นมาล่ะนี่คือมันกลัวไม่หยุดอันนั้นเป็นยังไงต่อไปตรงนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอะไรในวุ่นตลอดเวลาเลยเป็นทุกข์ไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยอันนั้นเรียกว่าคนไม่ดูจะพอ อืมไม่รู้จักพอจะให้มันเป็นไปติดต่อนอเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็เปลียนไปได้ยากลําบากมิฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอบรมไปในปัจจุบันนี้อบรมไปเรื่อยๆไปให้รู้เห็นในปัจจุบันของเรานี้แก้ปัญหาในเฉพาะในปัจจุบันของเรานี้แหละยายมันไปทุกข์เลยแก้ปัญหาหมันได้ในปัจจุบันนี้อืมถ้าคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่จบมิฉะนั้นการฟังธรรมะนี่อาตมาว่ามันไม่แปลกกันกับจานวนของเลข วิธีทาเลขมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบมันมีวิธีคูณมีวิธีหารแบ่งออกให้ได้จานวนของมันความคิดความรู้สึกของเรานี่ก็ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่าไปให้โทษมันดื่อส่ให้โทษมันดื่อยไม่ได้เราต้องแบ่งภาระให้ดูจัดการรูจัดเวลาสมควร ถ้าเรารู้จักเป็นวรนพระอย่างนี้นานๆ่ะ26วันอำมาวันพระกวันพระมันสี่วันท่า น, นเดือนหนึ่งมีสีวัน่พยายามวันนั้นให้ทํามาหากินเสียอืมนะแล้วก็มาอบรมอบรมแล้วก็ไปทํามาหากินต่อจิตใจมันจะบุญได้ก็เขามาอบรมอีกก็ไปทำ ม, มาหากินต่อสู้กับโลกไปอยู่อย่างนี้นะมันก็รู้จักทาง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 ฟังกันทุกคนทุกคนละ่ะพ่อแม่เราเสียไปญาติพี่น้องเราเสียไปไ ป, ไปทำศพกันเนี่ยเอาพระไปเทศทางประเทศในฟังนะแล้วท่านประเทศในฟังด้วยมันก็แก่เก็บตายตายเราก็เห็นด้วยนะแต่ว่าตายทุกคนร้องไห้ทุกทีไม่รู้ว่าเป็นไงพระทาังประเทศในฟังอยู่ด้ดวยๆนะญาติเราทุกคนที่รักของเราทุกคน่ะยากเราไปร้องไห้ทุกที ไม่ได้ภาวนากันหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้คิดกันมั่งหรือยังไงก็ไม่รู้บ่าวท่านบอกมันเป็นของไม่เที่ยงท่านก็บอกเราก็เห็นอยู่มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นเราก็ยังไม่พิจารณานะก็มีความโศกเศร้ามีความน้อยใจมีความผิดไ์ใจลำพันธ์อยู่ตลอดการตลอดเวลาตลอดยุคในปัจจุบันนี้นะบ้านนรธมานี่บ้านปอเนี่ยนะสมัยก่อนนรธรมารเป็นเด็กเนะี่ยคนในบ้านตายเนะี่ยโอ้ยมันร้องไห้อยู่สักห้าวันหกวัน ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็เห็นว่าคนตายไม่ไมคืนมาเห็นทุกทีแต่เราก็ไม่จำทุกทีมันขาดการภาว น, นาขาดการพิจารณามาสมัยนี้อาจจะมามาสงเคราะห์ญาติอยู่วัดน้องประโงคเนี่ยประมาณจสามสิบปีมาแล้วเนี่ยนะญาติพี่น้องเสียไป น, น่พ่อแม่พี่น้องเสียไปไม่เคยเห็นญาติโยมร้องไห้ ไม่เคยเห็นร่องให้ก่น็นิดนิดน้อยๆแต่น้ำตาไหลนิดเดียวเท่านึงก็พอสมัยก่อนมันร้องมันร่องตะโกนอยู่ก็ตั้งคืนก็นทั้งวันจนลาคาญอันนี้ก็อาจจะมาเห็นว่าที่เรียกว่าที่ได้มาอบรมกันเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนนี้ทกพอสมควรคือได้ยิน บ, บ่อยๆได้ฟัง บ, บ่อยๆเมื่อได้ยิน บ, บ่อยๆเมื่อได้ฟัง บ, บ่อยๆมันเกิดความรู้ก็เกิดขึ้น บ, บ่อยๆความรู้เกิดขึ้น บ, บ่อยๆ ความฉลาดก็เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อความฉลาดเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเป็นต้นมันก็ความพ้นทุกข์มันก็เกิดมีมาดีดีฉะนั้นมันดีแล้วพวกเรามันมันได้ส่วนแบง่งส่วนแบ่งจากปลาด์ทั้งหลายว่าเดือนหนึ่งเราได้ยี่สิบหกวันให้มาอบรมสี่วัน <c oughs> ให้พิจรารณา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 อัตมาว่าท่านแบ่งให้ยี่สิบหกวันก็พอแล้วพอควรแล้วพระจะนัไว้สี่วันให้มาอบรมในนี่ก็ก็พอสมควรเนี่ยอืมอ ม, มากพอควรในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นโดยมากการฟังธรรมนี่ก็ให้ประโยชน์เราถ้าเราไปพิจารณาอืมอย่างอัตมาเล่าให้ฟังนั่นแหละไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนอยู่อย่างนั้นะท่านบอกเราก็เห็นด้วยว่ามันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้ว เมื่อความไม่แน่ไนอนมาถึงเรามันร้องไห้เสียอกอเสียใจทําไมไม่ภาวนากันนี่น่ะอืไม่ภาวนากันไม่เห็นธรรมะอืมะไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะแล้วก็อะไรเนะ่อะไรได้มาแล้วก็อูยดีใจหลายดีใจนั้นมันเป็นโทษมากทีเดียวเมื่อมันเสียไปมันก็เสียใจหลายเหมือนกันให้มันมากอย่างเหยมันพอดีพอดีเลยเมื่อมันได้มาแล้วก็เหมือนกับมันเสียไปแล้ว เสียกัมันเมื่อกับมันได้มาแล้วอะไรที่มันมีอยู่อันนั้นนะมันจะเสียแล้วอาตมาเคยส่งส่งีความคิดถึงไปญาติโยมไปเพื่อนพี่น้องทั้งหลายว่าไอ้คุณอยู่ที่นี่ยคุณรักอะไรมากคุณห่วงอะไรมากห่วงลูกมากห่วงเข้าของมากห่วงยศอะไรนี่มากที่สุดระวังตัวนั้นนะมันจะดิ้นงานเรานะผ่าจิตเท้าอยู่กลางๆมันไดไม่ดิ้นงานนรก ไอ้ตัวที่เราห่วงมากมากเรารักมากมากระวังถูกชายเขาแก้วเขาแหวนระวังที่รักมากๆระวังนั่นอีกวันหนึ่งมันจะเจนนี้ไปมันจะตกนรกทั้งนั้นระวังดีๆเถอนะนะคนใช้อยู่ในว่าเราใช้มันทุกวันทุกวันไม่กระไรหรอกระวังที่ตัวสําคัญนั่นเนี่ยตัวสําคัญมันดับอืมเเมื่อได้มาแล้วแต่มาเออมันจะดีใจเออันนี้่เป็นของมันแน่ต้องต่อมันไว ถ้ามันเสียไปอ อ, อันนี้มันกลายเป็นแน่แล้วมันเสียก็เพราะมันดนีนะ่ะอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างนี้อืเราก็จะพอประทังนึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานัเนี่ยท่านสอนไว้ท่านบอกไว้จะเป็นความจริงทุกอย่างทุกปรการทุกวันนี้คนเราไม่เห็นความจริงกต่เพราะเราไม่นกับภาวนาคือไม่ไไรพิจารณาตามความเป็นจริงของมันเนี่ย เห็นความตามเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วรับสมกับคําที่เสน อ, ดอดมันในแน่ออืเนี่ยจะมาเดือนผ่านไปในเมืองอ่ะใครร้องเพลงก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกนายไม่แน่หรอกนายอื้อออันนี้มันเพลงพระพุทธเจ้านี่ไอญาติโยมห็นจะตั้งใจฟังกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกนายไม่แน่หรอกนายคงจะเพลินไปทางอื่นก็ไม่รู้ระวังนะมันมันจริงนะเนี่ย รักม be ันก็ไม you so the ่แ yes, น่ดอกนะเกลียดมันก็ไม่แน่นั่นนะมีมันก็ไม่แน่ดอกนะมันไม่แน่นะระวังเลดีนี่เดี๋ยวคือพระอันนี้ดังจกขังอันั้เรื่องไม่แน่น่ะคือคือสิ่งที่มันแน่ที่สุดคือเรื่องมันไม่แน่นั่นเนีะอย่าไปว่ามันไม่แน่เลยทันว่ามันไม่แน่ดอกนายไม่แน่ดอกนายฟังดอกเคิรนไปอย่างอื่นนต่ต้องเอมาภาวนามันจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างมัไม่แน่นอนอย่างนั้นถ้าเราเห็นความไม่แน่ก็คือเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจงกรสอนอย่างนี้ท่านมีธรรมะอย่างนี้ท่านจึงกัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเมื่อเราเห็นจริงทั้ทงหลายเหล่านี้มันเป็นไปอยู่เป็นต้นเป็นธรรมะของท่านเมื่อเห็นธรรมะของท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้กราบธรรมะของท่านก็ได้กลาบพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมะของท่านตัวมันได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ว่ามันไม่แน่หรอกนายเนี่ยให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ของไม่แน่นั่นเนี่ยมันแน่อย่างนั้นเราเดี๋ยวอันนี้จังมันเป็นของไม่แน่นี่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 ได้ฟังธรรมะมาเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้ามาเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้ามันอนันเดียวกันพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็กระดูธรรมะธรรมะนี่ยไปให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะก็เหมือนเราเห็นท่านเมื่อเราฟังคำท่านก็เหมือนในฟังธรรมะมันอันเดียวกันเช่นนั้นแต่นั้นมันขาดการพิจารณาพวกเราทั้งหลายนั่นนะอมันไม่พอเมื่อได้ภาวนาแล้วว่าไม่พอเนี่ย ถ้าไม่พอแล้วมันก็ไม่แก่นะถ้าไม่แก่แล้วมันก็ไม่พอถ้าแก่แล้วมันก็พอมันพออัตมาถึงว่ามาฟังธรรมแล้วกลับไปบ้าน เ, าเช่นอักษรพอ่อเปประตูนดีกว่านะอักษรพอเดินเข้าไปจะเห็นอักษรพ่อเจ้าพอนะออกมาก็ให้แบบพอนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปก็พอพูดพอตัวเดียวเท่านั้นเนีะยเดียวมันพออมันได้ยินทวนุวันมันได้พิจารณาอย่าง เอาอัจฉริพอไปเป็นคำบริกรรมถ้าใครเป็นผู้พอแล้วคนนั้นสบายคนนั้นสงบคนนั้นระ ง, งับพอพออะไรพอในสิ่งที่มันมีอยู่นะอืมในสิ่งที่มันมีอยู่มันเอาเหลือสิ่งที่มันมีไม่ได้ละคนเราเอาแต่สิ่งที่มันพออยู่มีอยู่นะได้แข น, น, นั้นก็เอาแขนนั่นจะพยายามจะเกียกจะกายหามาเพราะจงคนให้มันไหนมากแต่มันไม่มาคนเหนือเท่านี้เอาเท่านี้ยมันจะสบาย มันในทานี้มันก็ไปเอาอย่างอื่นดีมันก็วุ่นวายกันในครอบครัวกับทะเลาะกันเท่านั้นแหละมมันไม่สบายแล้วทีนี่อักขรทอจึงเป็นเป็นคำสอนสภ้นๆที่สําคัญอันนึ่งถ้าเราไปที่นี่พิจารณาอะไรจะเห็นความจริงอันนั้นจะทําใจเราให้มันเบาลงอืมอันนี้มันทํา้วยวิธีคูณกันไม่เคยทําวิธีลบเลยไม่เคยทําวิธีหารเลยมีใจบวกก็คูณจะพุ้นลดสี่เหล้อมันก็พังถึงนั้นะ ในว่าจิใจของมนุษย์หรอกมันมีเหลือแล้วทั้งนั้นเนี่อย่างนี้เราก็จะสบายอย่างนั้นอย่างนั้นอา น, นิสงส์ของการที่ว่าเอพระพุทธเจ้าแบ่งให้เราเป็นวันพระสี่วันนี่ให้การพยายามให้ใ่ของเล่นนะเราทำมาอาชีพยอย่างอื่นยี่สิบหกวันพออยู่แล้วไม่ใช่ว่าแต่มาวัดะอยู่ในบ้านก็ให้ทาความสงบว่านี่วัดวัดีวด่วัด วัดจะหมายว่าแทกดูก็ได้เราวาดูก็ได้อยู่ที่ว่าันเราก็อยู่วัดทะเลวัดเป็นวัดดูว่าออันนี้มันใต้คำสอนพระพุทธเจ้าดียังเราพูดอย่างนี้ดีดะหรือเราทําอย่างนี้ดีดหรือเราอยู่ทุกวันีควรหรือเปล่าเราไปวัดดูหรือยังแทกดูหรือยังอย่างนี้ภาษศาบนาไปวัดไปวาทุกวันนี้มาไม่ได้มาวัดเพื่อมาได้วัดดูแล้วไม่ได้วาดูด้วยสมัยก่อนท่านไปวัดไปวาทุนี่เยมือไปวัด ใจแล้วก็คำสอนของท่านมันเป็นอย่างไรนะแท็กดูวาดูใกล้หรือยังอืใกล้หรือยังใกล้คำสอนของท่านหรือยังหรือมันเผยจากคำสอนของท่านอยู่อันนี้เราเดี๋ยววัดดูท่าละวัดดูเลยว่าเราเรียรู้จักว่ามันใกล้คำสอนของท่านแน่หรือมันใกล้หรือยังหรือเป็นยังไงแล้ก็รู้ตัวของเราอันนี้แบบไปวัดไปวาไม่ใช่ว่ามาวัดอย่างเนี้ยมาวัดอย่างนี้มาวัดนี่ก็ไม่ได้วัดมแต่กันก็ไม่ได้มาวัด ไม่ได้แท็กดูคือเหมือนไม่วัดดูนั่นเองเนี่ยคำที่ว่าให้เข้าวัดเมื่อถึงวันนั้นมาอยู่ในบ้านเนาะก็วัดดูเพื่อเราเดชะภาวานาอยู่พิจารณาอยู่นั่นแหละเพืจะรู้เรื่องพวกมันตามความจริงได้บางคนเอ้เยนี่ก็เข้าวัดนี่ก็เข้าวัดผมยังไม่ไปคำที่ว่าวัดมันเป็นอย่างนั้นอยู่บ้านแล้วมันก็เป็นวัดให้เราพิจพิจารณาเอื่อให้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วมันก็มันก็แค่นั้นเนี่ย ลบมัตัวเองของมันมินานญาติโยมทัางหลายถึงมาฟังทางําบันนี้จงน้อเอาไปเป็นโอปนารนีก็ทธรรมเอาไปพินิจพิจารณาให้ถึงแก่ธรรมะขององค์สมเด็จตัศมาสัมพุทธเจ้าของเราแบบนี้ตามอกรมขอสควนกับเวลาแล้ว